วิธีระ ง, งับความโกรธข้อที่หนึ่งระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนให้ระ ง, งับความโกรธและให้มีเมตตาตักเตือนตนเองว่าการยังมัวโกรธอยู่เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของตนพุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมายเช่นตรัสสอนภิกษุว่าแม้ภิกษุถูกพวกโจรจับไป และเอาเลื่อยพากายถ้าภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษร้ายก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อีกแห่งหนึ่งว่าคนโกรธเท่ากับทําตัวให้ประสบผลร้ายต่างๆสมใจปรารถนาของศัตรูเช่นมีผิวพรรณซามหน้าตาหมุนมองนอนเป็นทุกข์เป็นต้น อันหนึ่งถ้าคนอื่นโกรธแล้วเราโกรธตอบอีกก็เท่ากับทำตัวให้เร็วกว่าเขาส่วนคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากและชื่อว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนเองและแก่คู่กรณี ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธข้อที่สองพึงนึกถึงความดีของเขายกเอาแต่งแง่ดีของเขาขึ้นมาพิจารณาถ้ามองไม่เห็นว่าเขามีความดีอะไรเลยพึงตั้งจิตการุนในการที่เขาจะต้องประสบผลร้ายจากความชั่วของเขาเองถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่หายโกรธ ข้อที่สพึงสอนตนเองให้รู้ตัวว่าการมัวโกรธเขาอยู่มีแต่จะทำให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเป็นทุกข์คนที่ถูกโกรธเขาม่รู้เรื่องด้วยเขาก็อยู่ของเขาเป็นปกติตามสบายคนโกรธเขากลับทำร้ายตนเองทำลายคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลที่ตนเองรักษาและประกอบกรรมของอนารยชนเสียเอง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 ทั้งเขาทั้งเราต่างก็จะได้รับผลแห่งกรรมที่เป็นส่วนของตนของตนตัวเราเองถ้ามัวกโกรธมีโทสะอยู่ก็คือกําลังทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะได้รับผลร้ายของกรรมของเราเองถ้าเขาทำกรรมชั่วเขาก็จะได้รับผลร้ายตามกรรมของเขาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธ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 ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธข้อที่แปดพึงพิจารณาแบบจำแนกแยกธาตุให้มองเห็นความจริงว่าที่คิดโกรธวุ่นวายกันไปความจริงก็มีแต่สิ่งสมมุติคิดว่าเป็นสัตบุคคลเป็นผู้นั้นผู้นี้ที่จริงมีแต่อาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังมีแต่ธาตุต่างๆมีแต่ขันห้า มีแต่อายตนะส2องมาประชุมกันจะโกรธอะไรส่วนไหนความโกรธนั้นไม่มีฐานที่ตั้งอะไรเลยถ้าพิจารณาแง่นี้แล้วยังไม่หายโกรธข้อที่9พึงแสดงออกภายนอกในทางปฏิบัติด้วยการให้สิ่งของคือหาสิ่งของมาให้แสดงไมตรีจิต